ให้ชีนักบวชว่ามบเป็นักบวชให้ถามก่อนจะขอขาวบ้านมาได้คำสอนขอข้าบ้านมาไำอนข้าพเจะอยู่ชนีชหรือเปล่าไปขอที่ น, นู่นไม่ได้เจ้ได้เไข้าไ่เจ้า่ด้าไมด้ขเ่ข้าเไปเ่ด้เจ้า่ได้พไขเไม่ข้าเจ่ไม่ได้้้้าไม่ได้ไเ ด, ได การปฏิบัติจริงๆนะเราสลัดความสําคัญมั่นหมายไปอย่างหนึนะว่าการปฏิบัติต้องทําอะไรต้องทําอันนั้นต้องทําอันนี้จริงการปฏิบัติไม่มีอะไรมากแค่คิดคิดว่าต้องทําอะไรเแยะเนี่ยเราจะทําไปเรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยจิตเราหยุดความรุงแต่งได้จิตของเราไม่เคยหยุดความรุงใหล แต่งไปทั้งวันทั้งคืนให้เราคอยรู้ไปรู้ทันความปลูกแต่เราอย่าไปช่วยเขาแตงการช่วยแต่งมันมีสองพวกใหญ่ๆพวกหนึ่งไปปลูกแต่งกับบุคคลคิดเรื่องรายรายคิดเรื่องคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้ยไปคนโน้นก็เป็นอย่างนั้นเพรคะนั้นเป็นอย่างนี้เวลาอยู่ร่วมกันเนาะเดือดรอนอีกพวกหนึ่งปลูกแต่งกุนสนเนะพยายามจะทําให้ได้ อยากบรรลุมากผ ล, ล้วก็พยายามพุ่มเทอยากทําให้ได้พยายามบังคับกายพยายามบังคับใจทํำยังไงก็ไม่ได้หรกคนละเรื่องให้สี บ, บันทำรม่ง่ายๆเลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทำแค่รู้สึกนั้นรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละร่างกายจริงๆเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกไหม เนยไม่ใช่จะต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเคลื่อนไหวเท่าไหร่ะนิดนหน่อยห่อยแค่นี้มันก็ไหวลแล้วร่างกายเคลื่อไนไหวรู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่งรู้สึกกับเพ่งไม่เหมือนกันรู้สึกไม่ใช่เผลอไปรู้สึกไม่ใช่เพ่เพงเอาไว้ฉะนั้นืูว่าเราเป็นนักปฏิบัติใช่แต่ว่าร่างกายเคลื่อไนไหวเนี่ยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของความรู้สึกทั้งหลาย แค่รู้สึกนะแต่ถ้าคิดจะทําให้ดีแล้วก็เสร็จเลยเหนื่อยเหนื่อยยากมากมายอย่าปรุงแต่งสิ่งที่ดีแล้วปรุงไปเรื่อยๆเลยวันนึ่งหมดแรงปรุงก็หมดแรงปรุงแต่งใจหยุดความสรุงแต่งแวบเดียวเขเข้าใจแล้วในใจเราจะไม่ยอมหยุดมันจะยอมหยุดจริงๆแต่เมื่อมันหมดเรี่ยวหมดแรงแลหรือมันยอมจำนวนหมดแรงยัง อย่างไม่หมดดีนะนี่ก็แหลังเยอะมีน้องสาวก็เป็นลูกสาวของพ่อเนฟรีนี่เลยมาเป็นลูกสาวของพ่อสามมุนม่นวะเฮยลอยแล้วไนมะ่ขีนทราบไหม <c oughs> ไม่บังคับไว้รู้สึกไหมเขารู้ว่าเฮยลอยเริ่มบังคับเนี่ย <c oughs> สุดโต๊ะสองข้างเนี่ยไม่เอานี่ไม่เอ า, <c oughs> เอาทอํายังไง ไม่ทำอะไรใจมันลอยรู้ว่าใจลอยใจไปบังคับรู้ว่าบังคับใจลอยก็อย่าไปอยากให้มันหายนะมันบังคับก็อย่าไปอยากให้มันเลิก บ, บังคับรู้รู้เดียวอะไรที่เกิดอยากรู้นะนะั่นแหะเกินหมดเละเป็นส่วนเกินทั้งหมดเลยแต่รู้รูปเดียวยากนะ <c oughs> มันอวนทำไม่ได้มันต้องทําไปเรื ม, ทมาทีสุดท้ายแลนะทำไปเรื่อย พอไหวไมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกฟังกมือได้อย่าทำผิดมันยังเป็นธรรมท่เดียวเออนะเราไม่ขีดธรรมไม่ีรู้ไปเลยว่าทํามเช่นมันทำอคูสนี่มันเผลอไปรู้ว่ามันเผลอไปมันทํอคูศนมันจงใจปาดฟองนี่มันทากคูสนะทำอกูสนี่ก็ไม่บันลุหรอกถ้านนนะ่ค่ปฏิบัติลนบากไปอนั่นพูดให้เจ้าเอกฟัง เอโดนหลวงพอท่านเร่งเร่งเลยเคลื่อนจัดหลมีแรงกดดันนะถ้าทำไปตามธรรมดาก็สบายสบายไม่ถูกกดดันเอกเคยมีท่านหนึ่งถูกกดดันรุนแรงที่สุดคือบ้านนนท์บ้านนนท์รับไใช้พระพุทธเจ้าหลายสิบปีตอนพระพุทธเจ้าจะนิพพานร้องไห้เลยครับพรองค์นิพพานร้องไพรจะสอนเนี่ยพระองค์อยู่ยังไม่ได้นิพพานร้องไพรจะสอนไม่ได้ล่ะพุทธเจ้าบอกว่าได้สร้างมาเยอะแล้ว ต่อไปนี้ก็ให้ทําอำฝึกของตัวเองเนาะไม่นานก็ได้เราถ้าไม่ได้บอกนยได้วันนั้นมันในไม่ช้าก็จะได้นี่เป็นแรงก ด, ดันที่หนึ่งไม่ช้าก็จะได้ใครๆก็คาดหวงดังถ้านอนเป็นเลขาส่วนตัวพระเจ้าต้องเก่งต้องดีต้องฉลาดต้องพาราก็เยอะด้วยกดชอบอายุ่งกับท่านท่นานใกล้ชิดดพระเจ้างานเยอะแรงกดดันก็เยอะ แรงกดดันทื่รุนแรงที่สุดอีกการหนึ่งก็คือกําหนดการสังขยาณาท่า น, นมห า, า, า, าคัสปากําหนดอีกสามเดือนหลังจากปรินิพานจะสังขยาณาโอ้นี่หนักเลยนะอันนี้พอท่านจัดการศพพระพูดเจ้านี่ต้องงานหนักนะเสร็จภาระข้างนอกนะท่านมันก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติในท่านไปพิโนะบอกไว้เลยว่าแต่ท่านถึงคือสุดท้ายเนยะท่านยังราตรี นี่คือสุดท้ายนะให้โ่วงไปด้วยกายยักษ ต, ตาสติเป็นส่วนมากกายยตาสตินี่ไม่ใช่สมถะ น, น, นะนกายยัตาสติคือท่ารู้สึกกายรู้สึกกายมีคนอายุแปดสิบ น, นะคงไม่เดินทั้งวนะนะันทั้งคืนนะท่านคงเดินมั่งนั่งบ้างทนะ่านจะต้องเร่งเพราะว่ากำหนวนการจะถึงยังไม่ได้ทำทำท ำ, ทำไปเออไม่ได้แล้ว ไ, ได้ก็ช่างเหมือนแล้วจะนอนนะ นอนยังไม่ใช่เริ่มปฏิบัตินะว่าถึงเวลาจะต้องคขับถึงเวลาจะต้องคขับถ้าแค่ก็เดินมนไนที่เตียงทนะ่านถ้าใจพิดิตไม่ได้บอกว่านอนเตียงนะจะมาทดลองดูต้องนอนเตียงนอนพืนไม่ได้รถ้า ใ, ใจพิจิตรใช้คาบอกว่าท่านเอียงกายลงนอนเนี่ยศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพลดับถึงเป็นเตียงนะั้นต้องแคบแคบเองลงไปเท้าก็คลดับถึงเลย ท่านตัวเอ A ลงไปในขณานั้นไม่ได้เลิมปฏิบัตินะพวกเราชอบไปคิดว่าถ้าเป็นมนุษย์เราเลิกปฏิบัติแท้จริงก็คือให้หมดความจองใจในการปฏิบัติท่านเอตัวลงไปแตท่านไม่ได้เลิกปฏิบัติแต่ท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุดแค่รู้สึกรู้สึกถึงรูปที่เอ็นไปาการรู้สึกถึงรูปนี้ก็ต้องรู้แต่ที่มีนามด้วยใจเป็นคนนี้ในการแยกรูปแยกนามจําเป็นพวกเราที่เคยฝึกอย่างไม่ชีด มันจะเหลอรูปมันเดียวฝึกไปแล้วไปเข่งเข่งเข่งเข่งท้องเข่งเท้ามันจะเหลือรูปมันเดียวไม่มีนามถ้าไม่มีรูปไม่มีนามก็เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ได้ขาดนามรูปปริเชษญาณมันจะถ้าเห็นรูปมันนั่งอยู่ใจมันเป็นคนรู้อย่างสายที่ทําบางส่ายเขาจะสอนกันรูปมันนั่งใจมันรู้นามรู้นั่งเป็นรูปรู้เป็นนามนั้นก็ชอบเท่านัวนะ ถารู้สึกเราก็ใช้ได้แต้องเราไปใช้ไม่ได้เป็นการไปนึกถึงอารมณ์ ป, ปรามะไม่ใช่ตัวรู้สึกห mm hmm. ึืออารมณ์อะ้ารหมดความจงใจจิตก็รวมมาตัดตรงนั้นตเพราะฉะนั้นมัดฝนมันเกิดได้ตรงที่จิตหยุนความปรุงแตกมันไม่ใช่เกิดได้ตรงที่เราปรุงแต่งไม่ดีถ้าหมดก็ปรุงแต่ดีมาตลอดคืนเดี๋ยวนอาแล้วเลิกแล้ว ไม่ทําความเพียรแล้วจะนอนรู้สึกตัวลงไปในมีดยาบวดทีเสลื่อนไหวแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันสําคัญนะเราชอบทำมากกว่ารู้สึกคือชอบเพ่งชอบกําหนดชอบประคอง <c oughs> พวกมันก็เผลอไปเลยเผลอไปเลยจะใช้ไม่ได้ <c oughs> เผลอไปเลยเนี่ยเจ้าไปอาบายเป็นใหญ่เผลอไปตามกิเลส <c oughs> เพ่งเอาไว้บังคับไว้ปรัะคองไว้ควบคุมไว้ ไปสุขติแล้วเป็นคนดีไม่ชีก็เป็นคนดีใช่ไหมผงไม่ตกนรกเนะรอดไหมยังฝันร้ายไหมเวลาฝันร้ายแล้วสติเกิดไหยแล้วเราก็ตอบเองอยู่ถ้ายังฝันร้ายโอ้เห็นกระทพาะกองแรงแล้วโอ้กลัวสยดสยองนะไปได้แน่เลยถ้าฝันหน้ากลัวปุ๊บรู้เลยว่ากลัวไม่ไปละ ถ้าคุณชัดผู้อาวุโสว่าไงเป็นชัดขยันไหมบ่าขยันปฏิบัติไหมเดี๋วนี้ไม่ค่อยเจอดีดีดีล้ใจมันโล่ว่างไปเรื่อยถ้าคุณบุภาร่ะคุณบุภาเคยเก่งมากนะยังเก่งอยู่ไหมต้องกระดุกกระดิกแล้ว พยายามหาเครื่องอยู่ให้จิตจิตถ้าไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจิตจะหนีไปเที่ยวเที่ยวนานแต่เครื่องอยู่ไม่ใช่คุกนะเวล า, าชอบไปว่าทาักเครื่องอยู่เลยว่าคุกเช่น อ, อยู่กับท้องห้ามหนีไปที่อยู่เ น, นี่ยอยู่ในคุกแต่เครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกถึงเวลาไม่มีอะไรทําก็ระรึกถึง อ, อารมณ์นั้นบ่อ ย, อย <S <S ๆเช่นเรารู้การเดินจงกรมเราเดินจงกรมบ่อยๆหรือเราขยับขย่ยเคลื่อนไหวกระดูกกระดิบบ่อยๆ กระุิกกระดิกแล้วถ้าไฟรู้สึกกระดิกกระดิกแล้วไฟรู้สึกพอเราเผลอพอเผลอปุ๊บเราเปิือขยับตัวบ้าเนี่ยมันจะมีสติขึ้นมาแต่มาเมื่อก่อนก็เป็นๆดูจิตได้แหละแต่มันก็รู้กายเพราะรู้รู้จิตก็รู้กายนะรู้กายก็รู้จิตไม่รู้อนเดียวหรอกเพราะมันต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามถ้ารู้อันเดียวจิตนะรู้แต่กายอันเดียวก็เพ่งกายรู้แต่จิตอันเดียวก็เพ่งจิตการปฏิบัติจริงๆมันรู้ทั้งกายทั้งใจมันรู้สลับ สมาธิหัดแต่ก่อนนะหัดดูจิตเรื่อยๆแต่ร่างกายกระตุกกระนิกนะคอยรู้สึกนะรู้สึกมีวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินมาดีใจนะจะไปคุยกับเขาก้าวขาจะเปคุกขาขยับปั๊บสติเกิดแล้วรู้สึกแนะไม่รู้อ๋อที่ท่านให้มีวิหารธรรมก็เพื่อให้สติเกิดเรื่องๆนั่นเองงั้นถ้าตุกตุกขาไม่มีวิหารธรรมเราก็ดูไปตามยถา ก, กรรมนะ ต า, ามยถนะากร้มหาเครื่องอยู่อันหนะึ่งเอาเออกอายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เอาเวทนาเอาจิตเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เครื่องอยู่หมายถึงว่าเราไประลึกถึงบ่อยๆถนะ้ายังไม่ขี่เข้าสานักเดินเราก็เดินเอาพอหมดแรงเดินเราจะนั่งเราจ ะ, จ, ะจะยักหน้านิดๆเราก็รู้สึกจะหันหน้านิดๆหน่นนนอยๆจะกรอกตาจะอะไรรู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งจะไปเนี่อย่างนี้ไม่ได้นะคลายๆกินกับ เนอะรู้สึกเกิดเพ่งไม่เหมือนกันแม่ชีต็ดเพ่งมานานตอนนี้แค่แค่ออกมาได้ก็บุหูหูแล้วนะติดเพ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปปรุงมโนแต่ถ้าเพ่งไปลราก็ทุกไปเพ่งไปเครียดไปมันจะไม่ไปปรุงมสนจะไปที่อยู่เพราะไปทําอาจินกำมีโทสะเนืองเนืองจิตเป็นทุกข์เนืองเนืองปฏิบัติจนตกนรกเป็นได้ยินไหม ตกนรกได้แต่ยังไม่ตายเนี่ยลำบากได้แต่ยังไม่ตายนะถ้าคุณบวมขาไปร่างกายเคลื่อนไหวไปรู้สึกเรื่อยๆนะร่ลายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนักงดูจิตนี่นะเอากายเป็นเครื่องอยู่ก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวไปเพ่งจิตส่วนนั่งดูกายนะเอาจิตเป็นเครื่องอยู่ไว้บ้างก็ดีนะจะได้ไม่เพ่งกายถ้ารินว่าไงรินเห็นขนมแล้วรู้สึกยังไง อะไรนะเอมือไวกว่าสตบ้านขายขนมอยูชาเชิงเ่าที่บ้านทำขนมอร่อยเดินสายชิมไปเลยเวลาอยู่ที่นรูึหว่าเราตั้งตาอะไรงนะมันจะเหมือนกับถือดาบหายไเลยนะ ม, มันเหมือนหลับนะคะอืสั้นๆป่หรือนานสั้นหรือยาวนะตแต่ฉนว่ามันไม่ยาวไม่ยาวหรอแต่บางครั mm ้งมนก็คล้ายจะยาวนะเพราะคนข้างนอกบอกแ่าวออืมมันจะมีอาการะะเหมือนกับเหเราเหมือนหลับายปจริงงแล้วธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นจิตเนี่ยมื่ขึ้นเสวยอารมณ์พอเสวยอารมณ์เต็มที่แล้วจิตมัตกสว่ ของเราที่นั่งอยู่เนี่ยจิตตกพระวังตลอดเวลาขึ้นมนตกแป๊บขาดช่วงเล็กๆอะไรแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเี่เวลาเราไปนั่งภาวนาเนีเรารู้รู้อยู่ขาดแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวก็รู้ขึ้นมาใหม่ให้รู้ทันเลยว่าเนี่ยจิตเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปนะแล้วที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือจิตตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกแต่อย่าดับลงไปนานดับลงไปนานนี่ใส่เสียลงไปนอน ดูท่าสุเกื่อนอะไรอย่างเช่นมีเรื่องอะไรที่ตั้างใจฟังนะคะเออัแหละมันจะขาดเวลาส่วดมนต์รู้สึกไห่วนมันจนขาดปั๊บแล้วก็ต่อไม่ถูกต่อไม่ถูกเลยไม่แน่นอนนั่นเป็นธรรมชาติของจิตพอสติเราว่องไวนะคนที่สติไม่ไวคิดว่าตัวเองไม่เคยหลือเลยแต่คนที่สติไวเห็นอะไรมันขึ้นราอารมณ์สั้นนิดเดียวส่วนมนต์คำสองคามันก็ดับนะ ขึ้นมารู้สึกใหม่ต่อได้บ้างไม่ได้บ้างบังคับมันไม่ได้สัญญามันไม่เชื่อเข้ารู้เข้าดูไปนะคล้ายๆคนบ้านเลยๆจะเห็นเลยมันเกิดรลดับเกิดรลดับถ้าหาเวลาถ้าเจอมันจะแก้ไขใช่ไหมคือคืออย่างชงทื่อน่าฟังท่าเท้พวนี้ก็คนดูเนอะแยก็แค่ไม่ทีนี้น่ากลับอยู่เลยหรือว่าเราลืมตาไว้ก่อนเริ่มตาดูเรื่มนช่วยไม่ได้มไ่รู้มันช่วยไม่ได้ ขินป็นเดินของมันอย่างนั้นเองนะแก้ไม่ได้หรอกให้เข้าหัวราไปช่างครับก็บาปเองล้วไม่เกี่ยวแต่บางครั้งบารั้งที่ฉันัเกตว่ามันเหมือนเราเราขาดเรื่องไปมันเหมือนคล้ายเราขาดหายไปทีไม่คาบาหรือไม่นานแล้วเราพูดลองไปถามค น, นที่ทำาทึ้นให้ทาทำดูนเหมือนก็ได้ปักโคครั้งบางครั้งก็งงไม่ค้ง<อ>บางครั้งก็รู้ว่ามันมันเลือนเลยเออช่างมันยวเลาอะไรให แต่เราแล้วท่านคิดมากนะเราทำของเราปกติอย่างนี้เลยเมื่อปีสองหกมีคนหนึ่งนั่งดูจิตไปด้วยนะดูจิตที่ไม่เคยเคลิ้มเลยนะเคยหลับเลยปรากฏว่าพอหลังวิสาขะหลังวิสาขะปีสองหกนี่เลยดูแล้วก็เคลิ้มลงไปตลอดเลยขนาดเดินตรงโผล่ก็ยังเดินเคลิมลงไปได้นะนั่งขับสมาธินะเมินเจ็บนะ ก็ยังเคลิ้มลงไปได้โพรแก้ไงก็ไม่หายทำาัไงก็ไม่หายวนนี้ก็มีโอกาสไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงปู่สิมมันอาสันหะเนี่ยที่อยู่สองเดือนคือเดือนกว่าๆที่ว่าจิตลงตลอดเลยลงระวังไม่ยากขึ้นเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตอนนั่งปุ๊บไปแล้ว น, นั่งึ๊บไปแล้วเคยนั่งจิตรวมเนี่ยหัวก็ไม่ ง, งุ้งงอ้ครานี้นั่งหัวตุ๊บหัวสุขขส่นเลยบางทีมือไม้ตกออย่างงี้ ให้ไปกราบหลวงปู่สินถามหลวงปู่สินบอกว่าให้หลวงปู่ทำไมนั่งแล้วตึตกลงวังเรื่อยๆไปแก้ยังไงขนาดนั่งขัดเท็จแบบหลวงปู่สินสอนแล้วไมตกงเลยหลวงปู่สินยิ้มหวานบอกว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะมาถามใครทําไปเถอะอย่าสงสัยทําไปเถอะแล้วได้ของดีเองอ่ะในพรรษานี้นะวันนี้ฟัง ท่านตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องนั่งรถตัวกลับกรุงเทพนะนั่งรถตัวกลับกรุงเทพมาจิตมันค่อยถอนออกถอนออกอย่ที่เคยตกนั่งกุ๊บตกก็เริ่มห่างห่างค่างพอห่างห่างมานั่งรถตัวมาถึงบางเขนถึงหลักสี่จิตมันรวมเลยแล้วมันตัดเลยในวันรุ่งขึ้นจย่างที่ท่าบอกเององั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิจิตวิจิตพิสดาร จะยุ่งกับมันไม่ได้นะจะบังคับมันไม่ได้งั้นใครก็าหัวเราก็ให้เข้าหัวเราไปเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ไปสั่งให้เข้าหัวเราแปลว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรหรอไม่ต้องนะรู้ไปเรือะแก้ไม่ได้หรอกจะรู้ว่ามันไปแล้วก็กลัไปอ่ะเดินจงกรมมันยังรุบเลยเป็นผ้าไ่นเป็นบางทนะคะมันเหมือนกับอพอรพอรับเพราะน่าจไม่รู้าไปไหนเลยพอรับนะอย่คิดมากนะไปทําคิดมากเดี๋ยวจะ ยากนานมันเป็นไงช่างมันใจถึงถึงไปคือภาวะของจิตเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึงของการปฏิบัติมันจะเกิดนิพพิทายามที่รุนแรงมากมันเบื่อโลภทาตเบื่อรูปเบื่อนานเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวมเข้าไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็เรามีสติไปเรื่อยสตริรู้ไปเรื่อย มันเป็นยังไงช่างมันอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเนี่ยให้ใจเป็นกลางกับมันไว้เพราะฉะนั้นมันจะลงพอวางใจก็เป็นกลางกับมันไว้เป็นกลางไปสะใจเป็นกลางจริงๆตรงนี้เป็นประตูของมรรคผลไม่ใช่ตรงที่ตกระวังเป็นประตูนะตรงที่เป็นกลางได้เป็นกลางไว้รู้รูปเดียวห้ามคิดมากนะยืมคำของผู้สิ่อมาใช่ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะมาถามใคร มีใครหยิบใครหยิบอ้าใครจะส่งกันบ้านวันนี้ทําไมมาเยอะเนาะีนี้มันธรรมดาคนเยอะก ว, ว, ว, ว, ว, วันเสาร์อาทิตย์านนีเสาร์อาทิตยมาวันนี้เลยเกิดกปรากฏการณ์มาโดยไม่ได้นัดหมาเยเห็น <c oughs> เก่งไหมมารู้จักกันทั้งนั้นแหะส่วนใหญ่รู้จักกันหมดแหะเราจะมีเพื่อนมา <c oughs> ไม่บอกเพื่อนเพื่มาเจอกันที่นี่ เวลาเพื่อนถามจะมาเมื่อไร่ล้วยังไม่แน่เราอ่ำๆไม่ก่อนแล้วมาเจอที่วัดอ้าจิบเมื่ไงส่งกันบ้านก็อาทิตย์นี้หลงพิเรศตลอดมันไม่ทันมันไปทำตลอดแล้วก็เอ๊อยากเห็นอยากอยากรู้มันเป็นยังไงเออเนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อสรุปไปแค่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ มีอย่างตรงเนี้ตอนหลักฐก็เอนไปสังเกตเห็ก็เลยเรื่องคือสภาวธรรมเนี่ยอันไหนรู้แล้วก็หลอกเราไม่ได้อันไหนยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลอกได้คนทั่วๆไปก็ถูกสภาวธรรมไปอคูสนหลอกเช่นถูกความโกรธหลอกไม่ได้ไปสนใจไอ้คนที่ทําให้เราโกรธถูกความรักหลอก ก็ไปนสนใจคนที่เรารักเนี่ยมีแต่ถูกหลอกนี่ถูกอกุศลหลอกนักปฏิบัติเนี่ยอกุศลหลอกยากมันเอากุศลมาหลอกเราเช่นอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเป็นที่เลนะหาทางรักเนี่ยนี่มันเสริมไหวจะทําทไงดีส่วนมวนอยู่สองสามคำลงไปแล้วแวบเป็นธรรมดาจิต <c oughs> มันสองเกิดแบบ นี่ถ้าเราไม่รู้ทันสภาวะอะไรที่ยังไม่รู้ทันเราก็จะต้องไปต่อสู้กับมันอันไหนรู้ทันนะมันก็เอามาหลอกไม่ได้มันก็เก็บไว้ก่อนเอาตัอื่นมาหลอกใหม่พอหลอกหลอกไปสักพักเลงให้เราลืมลืมไม่ตัวเก่าเอาตัวเก่ามาหลอกได้ถึงนะเพราะกระบวนการของกิเลสนะมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆเอากิเลสมันหลอกตรงๆไม่ได้ก็เอาคุณสมมาหลอกเอาความอยากดีมาหลอก กิเลสในขันละเอียดนั้นหน้าตาเหมือนกุศลมากเลยตอนหลวงพ่อเคยปเปรบกล่าวหวงปู่วัสิเป็นล่าระฟังท่านมาจากอเมริกาเลยกลาวท่านโอ้จิตท่านทําไมเป็นอย่างนี้เนาะจิตเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้จิตเรายังทํางานอยู่ยังเอามือหยิบ ม, มาดูวางไม่ได้จิตท่านทําไมวางได้หลวงปูบาอาจารย์นี่ดีที่สุดเลยวิเศษที่สุดเลยเมื่อไหร่เราจะได้อย่างท่านเนาะ ตัวนี้เหลียวใจแป๊บเลยอ่านี่มันกิเลสนี่ดูหไหมมีท่านมีเราขึ้นมาแนละ้วท่านดีเรายังไม่ดีเราจะเอาอย่างท่านเป็นกิเลสผันปับ๊บคือนี้หลอกทำไม่ได้มันก็เอาตัวอื่นมาหลอกนะเช่นเราปฏิบัติตัวที่หลอกติดต้องโดนแน่นอนตัวปัญญาตัวสภาวะนี้อะไรนะเห็นแล้วล่ะแต่ยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งยังไม่ปล่อยพอกัดติดแล้วกนต้องเรียนรู้ให้แจ้งแจ้งแล้วติดจะปล่อย ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ปัญญาตัวนี้จริงๆคือบุญคับจักรคือความฟื้นฟ้านของจิตคันๆอะไรนะอยากรู้คือความฟื้สร้านของจิตหน้าตาเหมือนปัญญาเลยหรืออย่างมานะเนี้ยหน้าตาเหมือนศรัทธาเรื่อมไตปูปาจักรหลอกสนิทนะเพื่อพิเลศเราถือขั้นละเอียดนะหน้าตาเหมือนปุษโหน้าวันนี้เดินมากซะหน่อย เนรจงกรมเยอะหน่อยเดี๋ยวูบาอาจารจะถามมีจะทำมากเป็นพิเศษนะแต่ว่าเป็นเจตนาชั่วไม่ใช่เจตนาดีแต่จะทำละไม่กิเลสภอิยาเห็นนะหน้าตาสวยงามนะอยากให้ทำเพิ่มอีกแักหน่อยมันเหมือนกับพอเราเริ่มที่ว่าเอ๊ะถ้าทำไปเราจะเริ่มถอยเดี๋ยก็สุลบนะมันก็จะเอ อ, อีกโอเค อนั่นแหละถูกหลอกอแล้วก็เนี่ยถูกหลอกซ้ำซ้อนกาลังฟุ้งซ้านขึ้นมาอีกเลยรู้รู้โลกปัจจุบันเลยรู้โลกปัจจุบันรูปเดียวเลยรู้อย่างที่มันเป็นมันจะมาไม้ไหนนะรู้รูปเดียวนถ้าถามรู้รูปเดียวนี้ใช้ได้ไหมคนชอบมาถามปัญหาหลวก็่อถามเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้ยเบื่อหลวงพ่อเลยเขียนไอันชื่อสารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติรวบรวมปัญหาทั้งหมดเลยตั้งแต่ปัญหาโลกแตก บาคนเนี่ยมาถามหลวงพ่อครับผมอยากถือศีลเคร่งครับผมไม่สบายเนี่ยผมกินยาเข้าไปฆ่าเชื้อโรคตายจะป่าเราอยากดูว่าเชื้อโรคมีจิตไหม <c oughs> ให้หลวงพ่อช่วยดูหน่อยเชื้อโรคเกินที่มันมีจิตไหมถ้ามันไม่มีจะได้กินยาโอ้โหมันจะบ้านะเนมันเรื่องมากไป <c oughs> กินยาเนี่ยไม่ใด้กินยาเพื่ออยากฆ่าเชื้อโรคกินยาเพื่อจ ะ, ออจะระงับ ผู้เขเวชนานี้จะให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ปฏิบัติทมต่อไปบทพิจารณายาก็ก็มีแค่ต่อไปนี้เราจะกินยาฆ่าเชื้อโรคให้สิ้นรากเนี่ยพิจารณาเชื้อโรคตายจะได้จะดีใครก็ไปพิจารณานั้นเนาะรู้เ้ด้อยๆนะอย่าถูกมันหลอกรู้ลกปัจจุบันรูปเดียวอย่าคิดมากหลวข้อ เ, เขียนไว้ กี่ปัญหากี่ปัญหานะคาตอบมีอันเดียวเลยรู้ไว้เราไปอ่านดูได้ไนมะ่ว่าจะถามเรื่องอะไรรู้ไว้รู้ไว้งั้นมาเรียนที่นี่นะหลวงพ่อไม่ชอบให้นั่งถามเดวกคนนี้ชอบถามเดี๋ยวนี้ไม่ให้ถามนะถามมากเขไร้สาระถามแต่เรื่องทางการของจิตไหมจิตเป็นอย่างนี้จิตรู้สึกอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะทําอย่างนี้หลวงพ่อก็ตอบเหมือนกันทุกวันแหละรู้ไปสิรู้ไปสิเสร็จแล้วก็ไปนั่งคิดมาใหม่วันนี้มันมาตรงนี้อีกเลย ตรงนี้จะทำยังไงดีเรรู้ไปสิท่องไว้นะรู้ลูกเดียวอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวไม่ต้องนั่งถามเยอะเมื่ก่อนได้ยินวิทยุของหลวงตาคนมาถามจิตผมปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดนั้นมาเร่าท่านฟังอรั้ท่าน ท, า น, น, ทา น, นฟังต่อไปไม่ไหวพราอะไรมันพูดแต่เรื่องอาการไม่เอาแล้วไม่ฟังเสียเวลา พูดแต่เรื่องอา ก, การจิตเป็ น, นอยงน้นจิตเป็นนี้ไปแก้ยังไงเอาหลักที่ได้ไม่ไปหลงแต่ร า, ายละเอียดติดย่อยหลักจริงๆก็คือรู้ปัจจุบันไปรู้กายลงปัจจุบันรู้ใจลงปัจจุบันคำว่ารู้ก็คือไม่เผลอใจลอยไปที่อื่นอย่างรู้กายก็ไม่ใจลอยไปที่อื่นแล้วก็ไม่คิดเรื่องกายนะไม่เพ่งกายคิดก็ไม่ใช่รู้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเลย เพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจใช้ไม่ได้รู้จิตก็เหมือนกันไม่เสือไปที่อื่นไม่ไปคิดเรื่องจิตไม่ไปเพ่งจิตเหมือนเหมือนกันสอ น, นง่ายง่ายง่ายทั้งหมดเลยเห็นจะยากเลยตอนนั้นทำเป็นแล้วมันต้องง่ายชื่ออะไรหรือพืออี ก, อ ก, อกเหรออะไร ทำให้มันยากนะพ่อเบังคับไม่เลิกนะพ่อเหมือนข่อาายแล้งหาไม้แบบฟ้าเซ็ง น, น, นะหาไม่ไดันไหนมันเพ้งตีมันก็จริงใจรอยก็ตีลงไปมือเลี่ยงนะมือคนตีจะเลียงรู้สึกนะรู้สึกใจของเราชับหมีไปอคุณน้องอย่าเอาเรื่องอาตมาไปลงหนังสือพิมพ์นะไม่เอานะอย่าไปชวนพิมพ์ทั้งสงนังสืออะไรเงี้ยนะ เลงเรียลายไม่เอาไม่ชอบน ะ, ะแต่และองค์ปฏิปทาต่างๆกันนะเราไปเรียนเนียองไหนเราก็อนุโลมตามท่านไปไว้ต่อไปเราเป็นอาจารย์หญิงนะลูกศิษย์เราก็อนุโลมตามเราบ้าง <c oughs> หลวงก็ไม่อยากเรียลายเลยไม่ชอบสงสานโยมแล้วตัวเองเคยเป็นโยมแล้วจนด้วยเออไปวนะัดแล้วจนเรียลายนะจิตใจเศร้าหมองนะ เงั้นจะไม่ยอมเรียกอะไรใครหรอกนะเดี๋ยวเราทับกัน